สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหรคนชอบเล่าช่วงนี้ที่หายหน้าหายตาไปเพราะว่ามีธุระให้ไปจัดการครับในไหนก็ไหนไหนแล้วจะเดินต่อไปได้หรือไม่หรืออย่างไรก็อยากทําให้มันถูกต้องทั้งหมดเลยครับจะได้เดินแบบสบายใจสักทีครับขอบคุณมากครับสําหรับกําลังใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะท้อใจเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ทํางานและมีเป้าหมายก็คล้ายๆกับบุรุษปรษณนีแหละครับมีหน้าที่ส่งจดหมายแล้วก็คงจะไม่ไปสนใจกับสิงเห่าของสุนัขหรอกครับ สุนัขมีหน้าที่เห่าก็ให้มันเห่าไปมันเป็นหน้าที่ของเขาครับเราไม่ว่ากันผมก็แค่ทําหน้าที่ของผมต่อไปให้ดีที่สุดครับคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับการแบ่งปันมาเอาล่ะครับอย่าให้เสียเวลากันเลยตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวที่พี่อ้วนจังกูก ร, รุณาแบ่งปันมาดีกว่าครับชื่อออกสไตล์เกาหลีแต่ไม่ใช่อย่าไปสับสนกับแ ด, ดจังกึมละ่ะและเนื่องจากพี่อ้วนจังกูเป็นผู้หญิงนะครับผมก็จะขอแทนสรร พ, พนามของพี่อ้วนจังกูว่าเราในการถ่ายทอดนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ พี่อ้วนจังกูเล่าว่านี่เป็นเรื่องเล่าในสมัยเด็กๆ เ, เมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนนั้นเราเรียนหนังสืออยู่ประมาณปสหรือปสนี่แหละบ้านเราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวสมัยนั้นถนนหน้าบ้านยังเป็นถนนแค่2เลนและหลังบ้านก็จะเป็นทุ่งนาเราประอบบ้านก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านปลูกอยู่ 3-4 หลังเป็นบ้านเรือนฟ้าหรือว่าบ้านไม้ไผ่นั่นแหละเราอยู่กับแม่อุ้ยหรือว่าคุณย่าแล้วก็มีอุ้ยหมอนคือคุณทวดสรุปก็คือโตมาด้วยการเลี้ยงของแม่อุ้ย ในสมัยก่อนนู้นที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้ายังใช้แตะเกียงน้ำมันกา๊าดไม่มีทีวีให้ดูแต่สิ่งที่แก้งเห่าสำหรับเด็กอย่างเราก็คือก็จะมีแม่อุ้ยนี่แหละที่คอยเล่านิทานและเรื่องต่างๆให้ฟังจำได้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงหน้าฝนลุงที่อยู่ข้างๆบ้านก็จะออกไปส่งกบส่งเขียดเพื่อ น, นำเอามาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวในวันนั้นฝนก็ตกหลังจากเรากินข้าวมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยกับแม่อุ้ยแล้วก็ขอให้แม่อุ้ยเล่านิทานให้ฟังเหมือนเช่นเคยส่วนใหญ่เรื่องราวที่แม่อุ้ยเเล่าาใหห้ฟังงก็จะะปนนรรือรผีีแ ลองคิดตามดูนะบรรยากาศแบบนั้นเล่าเรื่องผีผีไฟฟ้าก็ไม่มีเซนต์น้ํามันตะเกียงบรรยากาศสุดยอดมองออกไปนอกบ้านแค่หัวค่าก็สยองแล้วแล้ววันนั้นแม่อุ้ยก็เล่าว่าผีโพงอะนะจะชอบหากบหาเขียดเกินในเวลาที่ฝนตกเปรอะเปร้อยนี่ผีโ พ, พงจะชอบมากและลุงข้างบ้านก็ออกไปหากบหาเขียดแม่อุ้ยพูดติดตลกระหว่างที่เราฟังเราก็สังเกตเห็นว่ามีดวงไฟดวงหนึ่งสีเขียวเขียวลักษณะของดวงไฟดวงไม่ใหญ่นัก จากระยะสาตาประมาณเท่าเปลวเทียนนี่แหละมีสีเขียวๆคล้ายๆหิงห้อยแต่ก็ดวงโตกว่าและแสงของมันก็นิ่งๆไม่กระพริบแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันลอยมาลอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ต้นลำไยข้างบ้านแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นมันเริ่มลอยมาตั้งแต่ที่แม่อุ้ยเริ่มเล่านั่นแหละเราก็ฟังไปด้วยแล้วก็มองไปด้วยก็สงสัยมันลอยหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานไม่ไปไหนเลยคิดไปคิดมาก็เหมือนกับว่ามันกําลังฟังเราคุยกันเราก็เลยหันไปถามแม่อุ้ยว่า อีแม่อีแม่นั้นแสงไอ้ยังลืมบอกไปเราเรียกแม่อุ้ยไว้อีแม่เป็นความเคยชินตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพอแม่อุ้ยหันไปเห็นก็บอกว่า น, นั่นเป็ผีโพงรีบขึ้นบ้านเร็วว่าแล้วแม่อุ้ยก็รีบพาเรารีบขึ้นเรือนแล้วแม่อุ้ยก็พาเราไปแอบส่องดูที่รูข้างฝาบ้านไฟดวงนั้นก็ลอยไปเรื่อยๆมุ่งตรงไปยังบ่อ น, น้ําของลุงข้างบ้านแล้วมันก็ค่อยๆลอยไปที่บันไดของบ้านลุงคนนั้นเราเห็นว่ามันวนๆเวียนๆอยู่แถวหัวบันไดบ้านลุงคนนั้นตั้งนานจนเราเริ่มง่วง ตกเย็ยนเลิกเรียนก็กลับบ้านแล้วก็นึกขึ้นได้ก็เลยถามแม่อุ้ยอีกทีว่าเมื่อคืนแสงที่เห็นมันเป็นจะไดแม่อุ้ยก็บอกว่าเมื่อคืนเราคุยกันเรื่องสองกบสองเขตกันมันก็เลยรู้ว่าลุงทางบ้านไปส่งกบสองเขียดมันคงจำแอบรอเพื่อจะแอบจกแอบขโมยกบเขียดจากลุงทางบ้านที่ออกไปหาจับกบเขียดนะนี่เป็นคําตอบของแม่อุ้ยสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กๆ ด, กดวงไฟสีเขียวๆแบบนี้เห็นบ่อยมากจะเรียกได้ว่าเห็นแทบทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่หิ่งห้อยแน่นอน พระว่าดวงไฟของมันไม่กระพริบลเลยและดวงไฟของมันก็แกหญ่ไปหิ่งห้อยมากแต่ลักษณะของไฟมันจะนิ่งๆลอยแบบนิ่งๆถ้ายืนมองก็จะไม่รู้สึกเลยว่ามันกําลังลอยเข้ามาหาเราสรุปว่าวันนั้นไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดใจสําหรับเราในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงวันหนึง่งเธอได้ไปนั่งฉี่ตรงชานบ้านซึ่งบ้านคนแถวนั้นในสมัยก่อนก็จะมีชานบ้านเป็นพื้นที่เอาไว้สําหรับล้างถ้วยล้างจาาหรือักล้ง ตัวบ้านก็จะยกแต่ทุนสูงประมาณหนึ่งประมาณเมตรกว่านี่แหละเรื่องก็คือขณะที่เธอกําลังนั่งฉี่อยู่นั้นจังหวะที่เธอก้มลงมองข้างล่างเสายตาเธอก็ได้ไปเห็นดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงวาวๆอยู่ที่เตทุนเธอเห็ น, น, นดังนั้นก็ร้องกรีดขึ้นมาเป็นเหตุให้เพื่อนบ้านและแวกนั้นรีบวิ่งมาดูแล้วก็เห็นหลังอยู่วาๆของร่างในระนาบเจ้าของดวงตาที่อยู่เตทุนบ้านเป็นร่างของชายไม่นุ่งเสือ้อหรือว่าไม่สวมเสือ้อเห็นหลังขาวๆถอนที่มันวิ่งรัดออกหลังบ้านผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็ร ใครคว้ามีดคว้าขวานติดมือได้ก็เอาติดตัวไปทุกคนตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันค้นหาทุกหลืบทุกซอกตามละมอะดงไพรถ้าเจอและหน้าดูแต่สุดท้ายแล้วก็ค้นหากันไม่เจอนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในความทรงจําทีนี้ย้อนมาที่เรื่องของเราอีกทีมันมีอยู่คืนวันหนึ่งที่เราปวดหนักขึ้นมากลางดึกคงไม่ต้องขยายความนะว่าปวดหนักคืออะไรเวลาก็น่าจะ ร, ราวๆตีสามนะแน่นอนเราก็ปลุกแม่อุ้ยขึ้นมาอีแหมอีแหมปวดเออลูกไปส่งเขาสวมหน่อย แม่เอ้ยลุกขึ้นมาแล้วก็บ่นอุบอิบเลยแกก็มานั่งรอยอยู่ที่หัวบันไดบ้านแล้วก็บอกว่าเรีบร้อไปเออให้เสร็จแล้วจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องบอกเราก็รีบอยู่แล้วก็รีบเข้าไปนั่งทําธุระให้มันเสร็จเ็จไปแล้วพอพารักเก็ตเสร็จเส้นก็เปิดประตูห้องน้ําออกมาเราก็หันซ้ายแลขวาดูเช็คเพื่อความปลอดภัยกลัวว่าจะเจออะไรหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าวะแล้วพอเราหันไปทางขวาก็เห็นดวงไฟอีกแล้วสีเขียวเหมือนเดิมเลย ครั้งนั้นยังไม่เคลียแม่อุ้ยบอกว่าผีโพวงแต่ผีพวงมันเป็นยังไงล่ะด้วยความสงสัยก็เลยตั้งใจจ้องนิ่งๆจ้องนิ่งอยู่อย่างนั้นขเขม่งเลยจนลืมไปว่าบรรยากาศรอบกายมันว่องเวงและนี่มันตีอะไรแล้วช่วดวงไฟดวงนั้นเหมือนว่ามันจะนิ่งๆแต่พอสังเกตดูอีกทีก็เหมือนว่ามันกําลังลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาลอยใกล้เข้ามาจนได้ระยะประมาณ 5-6 เมตรนี่แหละเราก็ได้เห็นว่าในดวงไฟดวงนั้นมันมีนมจมูกด้วยมองเพ่งดูอีกทีก็เห็นปาก แน่นอนเราเห็นจมูกแล้วก็ปากแต่มองยังไงก็ไม่เห็นดวงตามีสมูกและปากแล้วก็คางและดวงไฟดวงนั้นก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนเห็นคอตอนนั้นสติเริ่มกลับมาคิดออกแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบขึ้นบ้านหันไปมองตรงบันไดไม่อุ้ยมีอยู่แล้วไม่รอช้ารีบขึ้นบันไดบ้านแล้วรีบพุ่งเข้าห้องนอนเลยเข้าไปในห้องนอนก็เห็นว่าไม่อุ้ยมานอนร้อนอยู่แล้วโอ้พระเจ้าไม่ร้อหลานเลยรักหลานจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําตอนดึกอีกเลย เอากระถดมาไว้ในห้องนอนพอเช้าก็ออกไปเททําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะเมื่อตกกลางคืนก็จะเข้าประจําการในห้องนอนอีก <c oughs> ก็เลยเป็นเรื่องเล่าว่ามีผีโพงอยู่แถวแถวละแวกบ้านที่เราอยู่ทุกคนในละแวกบ้านก็จะระวังตัวกันแล้วก็ไม่เคยออกจากบ้านตอนกลางคืนกันจนเมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้าดวงไฟประหลาดหรือแสงไฟที่มีคนเคยเห็นอยู่บ่ยบอยๆก็ค่อยๆหายไปนานๆทีก็จะโผล่มาให้เห็นบ้างแป๊บๆจนจนอีกหลายปีต่อมาลุงข้างบ้านก็ตาย และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา<ๆ>ก็ไม่มีใครเคยเห็นดวงไฟดวงนั้นอีกเลยอ้อยังมีอีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าเป็นเรื่องของทาง3แพรง่งเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วหรือไม่ก็กว่านี่แหละตอนนั้นเราเรียนอยู่ในสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ตอนเข้าเรียนแรกก็เช่าหออยู่ แ, แถวๆหน้าหมอเป็นหอหญิงห้องแคบๆพื้นที่ก็พอมีไว้ให้แค่เตียงกับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งแต่คณะที่เราเรียนอยู่มันก็ต้องมีโต๊ะเขียนแบบเอาไว้เขียนแบบสําหรับเอาไว้ทําการบ้้าาานที่่อาจารยย์สังดว ซึ่งมันก็ต้องใช้พื้นที่เพียงพอที่จะวางโต๊ะเขียนแบบได้หลืมีอันจําเป็นต้องหาหอพักใหม่ที่มันพอจะมีพื้นที่ใช้สอยในห้องมากขึ้นก็คุย ก, กันกับเพื่อนแล้วก็มุ่งหน้าออกไปหาห้องเช่าใหม่กันเราช่วยกันหาไปหามาสุดท้ายก็มาได้ห้องพักใหม่มีขนาดห้องกว้างตามที่เราต้องการหอพักแห่งนี้เป็นหอใหม่เพิ่งสร้างเสร็จทําให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าคงไม่ใช่ตึกเก่าและคงไม่มีประวัติเรื่องผีแน่ๆนั่นคือความคิดในตอนนั้นเราก็ตกลงทําสั ญ, ญญาเช่าให้เเเรรียยยยยยบ้้้้อออแลลวก็คนขงยยขงาาไปู่ ในวันที่เราย้ายของเขาเ้าไปเสร็จเราก็จัดของให้เป็นสัดเป็นส่วนและเป็นที่เป็นทางแปลนของห้องนั้นก็เหมือนห้องหอทั่วไปนะคือมีห้องนอนมีห้องน้ําในตัวและมีระเบียงหลังเอาไว้สําหรับตากผ้าหรือเอาไว้ยืนมองวิวข้างนอกแล้วก็ไปทําความสะอาดตรงระเบียงก็ได้ไปเห็นว่าตรงหน้าต่างระบายอากาศห้องน้ํามีเหมือนเป็นโมเดลบ้านเรือนไทยเล็กๆอยู่ขนาดก็ประมาณครึ่งกระป๋องเบียร์ลักษณะคือเหมือนสารเจ้าที่ย่อส่วนให้มันเล็กลงแล้วก็มีเหรียญ50สตางค์วางไว้กับเหรียญหนึบาท ดูๆแล้วมันก็สวยนะเหมือนเดือนไทยเล็กๆเลยก็แปลกใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเราก็อยู่กันไปผ่านไปเป็นเดือนเลยแหละหลับสบายในวงเล็บปกติก็ไม่ค่อยจะหลับกันอยู่แล้วก็คือเวลานอนมันน้อยนะ่ะต้องเขียนแบบตามวิชาที่เราเรียนส่งอาจารย์ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเราจะเรียนภาคบ่ายเวลาที่นอนก็จะแปลกไปจากภาคที่ก็เรียนตามปกติแล้วเราก็จะมีเพื่อนมาหาเยอะๆบ่อยๆทุกวันอยู่แล้วเราไม่เคยรู้สึกว่าเงียบเหงาเลย แล้วก็มีวันหนึง่งเราส่งงานอาจารย์แล้วด้วยความง่วงเรามาถึงห้องเราก็รีบอาบน้ํานอนเลยก็นอนหลับกันไปแล้วระหว่างที่เรานอนอยู่นั้นตัวของเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกหนักๆหายใจลําบากมากประมาณว่าหายใจไม่ค่อยออกลืมตาขึ้นมาเหลยวซ้ายแล้วขวาก็ไม่ได้เห็นอะไรไปแปลกๆนะแต่พอจะขยับตัวขยับไม่ได้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพยายามแล้วพยายามอีกก็ขยับไม่ได้หันไปมองเพื่อนที่นอนหลับอยู่ข้างๆมันก็ยังหลับสบายดี เราก็เลยพยายามจะขยับปากเรียกมันแต่ก็ต้องตกใจเพราะเสิ่งที่เปล่งออกมามันไม่มีเสียงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่เราฝันอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่เรารู้สึกตัวอยู่นี่ลองพยายามเรียกเพื่อนอีกทีแต่ก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องขนลุกเมื่อมีเสียงหนึ่งมากระทบโสดประสาทหูเป็นเสียงวิทวิทเป็นเสียงวิทที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันแสบแก้วหูมากสูงมากในใจคิดออกไปเองว่า น, นี่คือเสียงเปรตแน่นอนเมื่อรู้คิดไปได้ยังไงทั้งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วต่อมาเสียงหมาหอนหอนเยอะมากมีหลายตัวหอนรับหอนส่งกันเป็นทัทอดประมาณว่ายีิ ต, ตัวได้ละมัง้งหอนก็นระ ง, งมไปเลยเราพยายามดิ้นไม่หยุดดิ้นแล้วก็ดิ้นเพื่อใจขยับตัวได้ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนั้นคะแนเวลาที่เราดิ้นสู้ก็ประมาณสิบนาทีได้ ความจริงไม่รู้หรอกจะสำหรับเรามันนานมากมากสิงวีที่ลั่นสิงหมาหอนที่ระงมกันอยู่กับภาพเพื่อนที่หลับสบายอยู่เบื้องหน้าสับสนไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับเราพยายามดิ้นดิ้นไม่ได้ก็พยายามท่องน้โมพยายามท่องในใจแล้วก็พยายามขยับอีกพยายามแล้วพยายามเล่าพักหนึ่งเราก็ตะแคงตัวได้และเมื่อตะแคงตัวได้เราก็ลุกขึ้นนั่งได้เลยเราหลุดแล้วก็เลยรีบเปิดไฟแล้วก็นั่งพิงหัวเตียงอยู่อย่างนั้นเรานั่งอยู่แบบนั้นจนเช้าไม่กล้าหลับตาลงรอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็หลับเลย สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็บ่ายโมงรีบอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนกลับจากเรียนแล้วเราก็มาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่อยู่ในหอฟังปรากฏว่าเพื่อนหลายคนก็บอกว่าเจอเหมือนกันบางคนก็ยังบอกอีกว่าเจอแบบกลางวันแสกๆเลยเขาบอกว่าเขานอนงีบกลางวันพอตื่นลืมตาขึ้นมานิดนึงก็เห็นชายผ้าม่วงคิดว่าคงจะเป็นผ้าแบบที่เขาใส่กันสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาเห็นแค่นั้นก็ไม่กล้าลืมตามองอีกหลายคนก็เล่าว่าที่หอนี้มันปแปลกและด้วยความคงใจของพวกเราเราก็เลยไปถามคนที่เขาอยู่แถวนั้นว่ามันมีอะไรไหมในหอนี้ คนแถวนั้นก็บอกว่าหนูๆไม่สังเกตบังเรอว่าหอนี้มันตั้งอยู่ตรงสามแยกเลยมีถนนพุ่งเข้าหาหอพักมันตั้งอยู่ตรงหัวตัวทตรงสามแยกเลยมันเป็นทางผีผ่านคนแถวนั้นบอกมาแจ็คพอตแตกเลยเพราะห้องที่เราเช่ากันอยู่ก็เป็นตำแหน่งที่ถนนพุ่งเข้าหาเลยเราก็ถึงบังอ้อ ก, กันทันทีว่าทำไมมีสัตว์เล็กๆอยู่ตรงหน้าต่างระบายอากาศห้องน้ำเขาคงจะเชิญเจ้าที่มาปกปักรักษาแน่เลยหลังจากที่รู้เรื่องเราเราก็ไม่ได้ย้ายออกไปไหนนะเพราะการย้ายหอแต่ละครั้งมันเหนื่อยมาก เราก็อยู่กันจนชินนั่นแหละจนกลายเป็นคนไม่กลัวผีไปกันเลยยามที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยก็เปลี่ยนหน้าบ่อยไม่ใช่เปลี่ยนหน้าแบบสายลับนะหมายถึงเปลี่ยนคนเข้าคนออกมาประจําการแต่ท้ายสุดก็มีพระเอกฮีโร่เข้ามาประจําการจนได้คือเมื่อคนนี้เข้ามาประจําการก็ไม่ได้เปลี่ยนคนไหนอีกเลยเล่ากันว่าถ้าจะมาดูแลหอนี้ก็ต้องเป็นยามคนนี้เท่านั้นปัจจุบันหอพักที่ว่านี้ก็ยังอยู่นะแต่สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปมากแล้วไม่น่ากลัวเหมือนกับสมัยที่เราเคยอยู่ พอขับรถผ่านก็จำสามแยกนั้นไม่ได้เลยเพราะปัจจุบันมีตึกอาคารพาณิชย์ขึ้นเต็มไปหมดมันเวลาที่ผ่านไปทำให้พื้นที่แถวนั้นไม่น่ากลัวเหมือนสมัยที่เราเคยอยู่เคยเช่าอยู่ตรงนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ้วนจังกูไปต่อกันที่เรื่องราวของคุณมอนนารากรเหมือนลาวกันอีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งในวันที่ฝนตกเรากบเคียดทั้งก็ส่งเสียงร้องดังเต็มทั่วท้องทุ้งอันตัวผมนั้นก็อยู่ที่กระท่อมน้อยปลายนาะ ที่มีน้ําฝนไหลามาลงรูของสังกะสีที่ขึ้นสนิมจนเป็นรูอยู่หลายที่ผมนั่งอยู่ที่กระท่อมน้อยนั้นคนเดียวมองดูรอบกายคิดไปถึงเรื่องต่างๆตามประษาคนไม่มีคู่ท่ามกลางเสียงกบเขียดที่เราะงระงมขณะที่ตัวผมกําลังตกอยู่ในวงวนของอารมณ์นั้นสายตาของผมก็ไปประสบพบกับร่าง่างหนึ่งกําลังเดินลุยฝนตรงมาทางผมใครกันนั่นผมคิดในใจแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้แต่ตั้งใจมองควานหาจับอะไรที่พอจะเป็นอาวุธได้เอาไว้ในมือไว้ก่อน ร่างของใครที่ต้องสงสัยกําลังเดินตรงฝ่าสายฝนเข้ามาจนเดินเข้ามาใกล้ใกล้จะถึงตัวผมจนได้ใครวะผมร้องถามไปร่างที่เดินเข้ามานั้นหยุดทันเทพร้อมกับถอนหายใจมีเสียงตอบกลับมาว่าข้าเองนบ nope. ว่าจะไปะชวนเองไปหาใสาเบ็ดแถวแถวถุงนาะเองจะไปกับข้ามไหยไปไปรอหน่อยแล้วกันผ ม, มรีบตอบไปผมก็รีบหยิบไฟฉายพร้อมกับเบ็ดประมาณ40หลังลงจากกระท่อมที่มันจะพังแหล่มิพังแหล่แล้วผมสองคนก็พากันไปพวกผมสองคนก็พากันใสเบ็ดมาเรื่อยๆ ประมาไม่ถึง10นาทีก็มีเสียงดังขึ้นแถวแถเบ็ดหลังแรกพวกเรามองหน้ากันพร้อมกับรีบหันหลังกลับเดินกลับไปดูเบ็ดหลังแรกเอาแล้วไม่ล่ะคงจะเจอตัวใหญ่ทีเดียวในใจผมคิดแต่เมื่อ เ, เดินกลับไปถึงเบ็ดหลังแรกปรากฏว่าตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเรามองหน้ากันแล้วก็คิดว่ามันคงจะหลุดไปได้จึงได้พากันเดินใส่เบ็ดต่อพอใส่มาเรื่อยๆตามร่องนั้นตามหัวห้อยตามทุ่งนาจนเบ็ดที่เตรียมมาหมดพอดีพวกเราก็เลยพากันหันหลังกลับ ในขณะที่เดินกลับกันมาเจโนบก็พูดขึ้นว่าเสดายปลาตรงเบ็ดหลังแรกว่าฟังเสียงมาตีน้ําแล้วคงจะตัวใหญ่หน้าดูผมเลยตอบมันกลับไปใช่ถ้าได้ปลาตัวนั้นคงจะได้กินแกงปลาอร่อยฝีมือแม่ข่าว่ะว่าแล้วก็เดินกันต่อไปในขณะที่เดินมาผมก็สังเกตเห็นว่าเบ็ดหลังนึงมีปลาติดอยู่พิงแต่เบ็ดหลังนั้นห่างจากจผมประมาณ30เมตรผมเลยบอกกับเจโนบว่าเฮ้ยเฮปลาติดเบ็ดว่ะปลาติดเบ็ดเว้ย แต่หลังจากสิ้นเสียงผมก็มีเงาเงาหนึ่งวิ่งออกมาจากกอไผ่อย่างรวดเร็วมุ่งตรงหาเบ็ดหลังนั้นจนน้ำแตกกระจายเสียงดังโครมโครมพร้อมกับดวงตาสีแดงกล่ำมุ่งตรงก็าหาเบ็ดที่ปลาติดอยู่เราสองคนได้แต่ยืนมองตะลึงงนันเฮ้ยอะไรสิ่งที่เราสองคนเห็นก็คือพอร่างนั้นถึงเบ็ดก็ใช้มือจับปลาที่ติดเบ็ดอยู่ขึ้นมาที่น่าแปลกก็คือปลาตัวนั้นไม่ดิ้นเลยพอยกปลาตัวนั้นเสร็จก็ยกขึ้นใส่ปากแล้วก็ฉี ก, กินต่อหน้าต่อตาพวกเรา พวกเราตกใจมากพร้อมกันนั้นเจโนบที่ยืนอยู่ข้างๆผมมันก็แหกปากร้องออกไปว่าใครวะมากินปลาดิบๆแบบนี้ผมเลยรีบตบหัวมันอย่างแรงสัสป้าเปลี่ยงคนบ้าที่ไหนนั่นมันผีชัดๆผมบอกมันพอสิ้นคำที่พวกผมแหกปากร้องโวยวายกันขึ้นแล้วไอ้ร่างๆนั้นก็หันมามันหยิบปลาออกจากปากที่กำลังเต็มไปด้วยเลือดเรามองกันด้วยความตะลึงแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อยู่ๆมันก็วิเขาใส่พวกผมเท่านั้นแหละครับทุกคนควจะคิดภาพกันออกนะใช่แล้วพวกเราออกวิ่งกลับบ้านน้ำกระจายเป็นทางเลย เรื่องราวของผมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับครับผมคลิปนี้ก็ไป2เรื่องก่อนนะครับก็ข อ, ขอขอบคุณพี่วันจังกูแล้วก็คุณมอนนารากรเหมือนลาวนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ที่หายไปบ้างก็เพราะไปทําธุระนะครับเมื่อเรื่องราวทุกอย่างลงตัวก็คงจะเข้าสเต็ปเดิมได้เอาละครับเช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยรุ่มสมบูรณ์